พระราชเทวีอุทุมพรทรงทราบความที่บัณฑิตทั้งสี่รู้ปัญหาเพราะอาศัยมโหสถจึงทรงดำริว่าพระราชาพระราชทานรางวัลแก่บัณฑิตทั้งห้าเป็นเหมือนคนทําถั่วเขียวกับถั่วราชมาศให้ไม่แปลกกันจึงเสด็จไปเฝ้าพระราชาทูลถามว่าใครทูลแก้ปัญหาถวายพระราชาตรัสตอบว่าบัณฑิตทั้งห้า พระราชเทวีทูลว่าบัณฑิตทั้งสี่รู้ปัญหาของพระองค์อาศัยใครพระราชาตรัสตอบว่าเราไม่รู้พระนางอุทุมพรจึงกราบทูลว่าบัณฑิตทั้งสี่คนเหล่านี้จะรู้อะไรมโหสดให้เรียนปัญหาด้วยเห็นว่าคนเขาเหล่านี้อย่าได้ฉิบหายเสียเลย ก็พระองค์พระราชทานรางวัลแก่บัณฑิตทั้งปวงเสมอกันนั่นไม่สมควรเลยควรจะพระราชทานแก่มโหสถให้เป็นพิเศษพระราชาทรงเห็นว่ามโหสถนี้ไม่บอกความที่บัณฑิตทั้งสี่รู้ปัญหาอาศัยตนก็ทรงโสมมติมีพระประสงค์จะทรงทำสการะให้ยิ่งกว่าจึงทรงคิดว่ายกไว้เถิด เราจะถามปัญหาอันหนึ่งกระบุรของเราและทำสการะใหญ่ในการเมื่อบุรของเรากล่าวแก้เมื่อพระราชาทรงคิดปัญหาอันหนึ่งจึงทรงคิดสิริเมนกะปัญหาปัญหาว่าด้วยปัญญากับรัพ์อะไรจะประเสริฐกว่ากันวันหนึ่งเวลาบัณฑิตทั้งห้ามาเฝ้านั่งสบายแล้วตรัเสเกษนกะว่าท่านอาจารย์เกนากะ เราจักถามปัญหาเสนกะกราบทูลรับว่าตรัสถามเถิดพระเจ้าค่าพระราชาจึงตรัสคาถาที่หนึ่งในสิริเมนกะปัญหาว่าแน่อาจารย์เสนกะเราจะถามเนื้อความนี้กับท่านบรรดาคนสองพวกคือคนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแต่เสื่อมจากสิริและคนมียศแต่ไร้ปัญญา นักปราดยกย่องใครว่าประเสริฐกว่ากันบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าบรรดาคนสองพวกใครว่าประเสริฐกว่ากันกะเมธทะเสยโยความว่าบรรดาคนสองพวกนี้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวคนไหนว่าประเสริฐได้ยินว่าปัญหานี้สืบเนื่องมาจากวงของเสนกะ ฉ่นั้นเซน ก, กะจึงได้กราบทูลเฉลยปัญหานั้นได้ทันทีว่าข้าแต่พระจอมประชาราชคนฉลาดและคนเขา่าคนบริบูรณ์ด้วยศิลปะและหาศิลปะมิได้แม้มีชาติสูงก็ย่อมเป็นผู้รับใช้ของคนหาชาติมิได้แต่มียศข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงขอทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ําต้อย คนมีสิริแลเป็นคนประเสริฐบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าต่าต้อยวีฮีโนความว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ำต้อยคนเป็นใหญ่นั่นแลเป็นคนประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคําของเสนกะนั้นแล้วไม่ตรัสถามอาจารย์อีกสามคน เมื่อจะตรัสถามมโหสถบัณฑิตผู้ยังใหม่ในหมู่ซึ่งนั่งอยู่จึงตรัสว่ามโหสถผู้มีปัญญาไม่สามผู้เห็นธรรมสิ้นเชิงเราถามเจ้าในคนสองพวกนี้คือคนเข่าผู้มียศหรือบัณฑิตผู้ไม่มีโภคะนักปราดยกย่องใครว่าประเสริฐกว่ากันบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้เห็นธรรมสิ้นเชิง เกวะลธรรมทัตสิได้แก่ผู้เห็นธรรมทั้งปวงลำดับนั้นพระมหาสัททูนพระราชาว่าโปรดทรงฟังเถิดพระมหาราชเจ้าแล้วทูลว่าคนเขาทำกรรมชั่วก็สำคัญว่าอิสริยยศของเราในโลกนี้เท่านั้นประเสริฐคนเขาเห็นแต่โลกนี้ไม่เห็นโลกหน้ายึดเอาแต่โทษในโลกทั้งสอง ข้าพระองค์เห็นความเหล่านี้จึงขอกราบทูลว่าคนมีปัญญาประเสริฐแท้คนเขามียศจะประเสริฐอะไรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในโลกนี้เท่านั้นอิทะเมวะความว่าสำคัญว่าอิสริยยศของเรานี้เท่านั้นในโลกนี้ประเสริฐคำว่ายึดเอาแต่โทษกาลิมัคคเฮสิ ความว่าคนเขาทำกรรมอันเป็นบาปด้วยความเมาในอิสริยะเกิดในนรกเป็นต้นในประโลกมาจากนรกนั้นเกิดเป็นผู้มีทุกขะโพชนะในตระกูลต่ำในโลกนี้อีกชื่อว่าย่อมถือเอาความปราชัยในโลกทั้งสองด้วยประการชนีคาว่าแม้นี้เอตัมปิความว่า ข้าพระองค์เห็นเหตุแม้นี้จึงกล่าวว่าผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สูงสุดผู้โง่เขลาแม้เป็นใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้สูงสุดเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลดังนี้พระเจ้าวิเทหราชท้พระเนตรดูเซนกะตรัสว่ามโหสดสรรเสริญคนมีปัญญาว่าเป็นผู้สูงสุดมิใช่หรือเนกะทูลว่า ถ้าแต่พระมหาราชามโหสดยังเด็กแม้จนวันนี้ปากของเธอก็ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมิใช่หรือเธอจะรู้อะไรดูช น, นีแล้วจึงกล่าวคาถานี้ว่าศิลปะนี้หรือเผ่าพันธุ์หรือร่างกายย่อมหาได้จัดแจงโพคสมบัติให้ไหม่มหาชนย่อมคบหาโคระวินทะเศษฐีผู้มีน้ำลายไหล ผ่านคางทั้งสองข้างพูดถึงความสุขผู้มีสิริข้าพระองค์เห็นความดังนี้จึงทูลว่าคนมีปัญญาเป็นคนต่ําต้อยคนมีสิริเป็นคนประเสริฐแท้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีน้ําลายไหลเอละมูคังได้แก่ปากมีน้ําลายไหลออกคําว่าโคระวินทะโคระวินทัง ความว่าได้ยินว่าโภระวินทะนั้นเป็นเศรษฐีมีสมบัติแปสิบโกฏดในพระนครนั้นแหลมีรูปร่างแปลกไม่มีบุตรไม่มีทิดาไม่รู้ศิลปะอะไรอะไรเมื่อเขาพูดน้ำลายไหลออกมาตามคางทั้งสองมีสตรีสองคนดังเทพอับซอนประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงถือดอกอุบลเขียวที่บานดีแล้ว ยืนอยู่สองข้างคอยรองรับน้ำลายด้วยดอกอุบลเขียวแล้วทิ้งดอกอุบลทางหน้าต่างฝ่ายพวกนักเลงสุราเมื่อจะเข้าร้านเครื่องดื่มมีความต้องการดอกอุบลเขียวก็พากันไปประตูเรือนของเศรษฐีนั้นแล้วกล่าวว่าข้าแต่นายโคระวินทเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ยินเสียงนักเลงเหล่านั้นยืนที่หน้าต่างกล่าวว่า อะไรพ่อขณะนั้นน้ำลายก็ไหลาจากปากของท่านหญิงสองคนนั้นก็เอาดอกอุบลเขียวรองรับน้ำลายแล้วโยนทิ้งไปในระหว่างถนนพวกนักเลงก็เก็บดอกอุบลเหล่านั้นเอาไปล้างน้ำแล้วประดับตัวเข้าร้านเครื่องดื่มเศรษฐีนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสิริอย่างนี้เซน ก, กะเมื่อแสดงเศรษฐีนั้นเป็นตัวอย่างจึงกล่าวอย่างนี้